ในโรงเรียนที่ลูกหญิงเรียนนั้นจะมีการจัดงานทุกปีเนื่องจากเป็นโรงเรียนคริสต์นั่นเองเป็นโรงเรียนที่คุณภาพดีมากอยู่ชั้นแนวหน้าของจังหวัดเลยกว่าดาันเป็นโรงเรียนระดับประถมเพื่อส่งไปยังโรงเรียนระดับมัธยมติดถอดนั่นลูกหญิงของเราเป็นนักเรียนดีติดอันดับหนึ่งของโรงเรียนเชล่ะซึ่งเรานึกถึงทีไรก็รู้สึกปราบปลื้มใจเหลือเกิน คนเป็นพ่อเป็นแม่เมื่อเห็นลูกัวเองเป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังคุณครูแล้วก็ตั้งใจเรียนหนังสือถึงแม้จะเรียนเก่งหรือไม่เก่งก็าตามพ่อแม่ก็รู้สึกภาคภูมิใจและดีใจมากๆเลยเด็กขยันเรียนมันก็เป็นเด็กดีแล้วนะแล้วก็ยังจะต้องเรียนดีอีกลูกหิิงของเราเป็นนักร้องนาของงานฉลองคริสต์มาส ผู้ปกครองต่างก็มาร่วมงานร้องกันอย่างพื้นเพทุกคนยิ้มระื่นเมกบานใจกันทวนมานานทีปีหนก็ต้องเปิดใจรรับความฝุกให้เต็มอิ่มหน่อ ย, อ ย, อ ย, อยแล้วว่า <c oughs> อ้าวเย็นเอ็งอย่าส่งเสียงดังสิว่านั่งลงเดี๋ยวนี้นะอ่ะลุกขึ้นยืนทําไมเนะ่บางคนอื่นเขาหมดเฮ้ยยังยังยังยังไม่ยอมนั่งอีกเองไะนั่งแล้วครับพ่อผมเห็นพี่ยิ่งด้วยแหละพ่อเออใครใก็เห็นเหมือนกันทั้งนั้นเลยเว้ยพี่ยิ่งของเอ็งในยืนอยู่บนเวทีเด่นขนาดนั้นน่ะแม่เห็นพี่ยิ่งร้องเพลงไหมเห็นจ้ะพี่ยิ่งของเอ็งอ่ะยืนร้องกู้อยู่กับใครล่ะฮหรอ้องกู้กับพี่ฝนครับแม่ น้ำฝนลูกตาสนน呐เหรอครับแม่พ่อเอง อ, อะไรละแม่เองน้ำฝนลูกสาวตาสนเนะ่เป็นเด็กเรียนดีแน่ๆเลยพ่อเองคิดเหมือนค่าหรือเปล่าล่ะก็ทำไมถึงคิดอย่างนั้นนะอ้าวก็ถ้าน้าฝนเรียนไม่เก่งอนะ่ะจะได้ร้องเพลงฉลองคริสต์มาสกับไอ้ยิ่งหรอมันก็จริงของแม่เองนะแต่บางทีมันก็อาจจะไม่ถึงกับขนาดเรียนเก่งรอก ขอให้เป็นเด็กดีเชื่อฟังคุณครูเชื่อฟังพ่อแม่แค่นั้นก็ได้รับการสนับสนุนแล้วล่ะแม่เองว่ายังท่าหรือเปล่าล่ะือว่าจะพ่อเองไอ้เอ็น <c oughs> นี่รอพ่อแล้วเดี๋ยวจะบึงเดี๋ยวจะเดียวเดขอโทษครับพ่อเ <c oughs> ล่าเล่นกับพ่อแม่นะ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าไปเล่าเล่นกับคนอื่นเขาโดยเฉพาะผู้ใหญ่ที่เราไม่คุ้นเคยเด็ดขาดเถอะนะทํานะทไมล่ะพ่อ ก็เดี๋ยวคนเขาไม่รู้จักมักจีกับเราจะหาว่าเองเป็นลูกพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนยังไงละเว้ยเขาจะว่าขนาดนั้นเลยเหรอพอ่อว่าสิไปเจอคนเจ้าอารมณ์เข้าหน่อยนี่อาจจะโดนแกล้งก็ได้นะว้ยอย่าไปล้อเล่นกับคนอื่นเถอะชินาเข้าใจไมล่ล่ะเข้าใจครับพอ่อดีมากลูกเออแล้วแม่เองอะอะไรเหรอแม่เองคิดเหมือนกับข่าหรือเปล่าพ่อเองพูดก็มีเหตุผลดีเหมือนกันนั่นแหละ ล, ลูกก็ต้องเอาอย่างพี่เขาให้ด่าสิเชื่อฟังพ่อแม่ช่วยงานพ่อแม่เท่าที่จะมีกำลังทำห้ามขี้เกียจสลังยาเหมือนพี่ๆคนโตๆอ่ะไอ้พวกนั้นด่าเท่าไรก็ไม่จาอย่าไปเอาเยี่ยงเอาอย่างเด็ดขาดนะโอ้ยผมไม่เอาอย่างพวกพี่ๆเด็ดขาดบากร้ายจะตายไปครับแล้วพวกเขาก็ชอบหาเรื่องคนอื่นไปทั่วโดยเฉพาะผู้หญิงพวกเขาชอบหาเรื่องผู้หญิง จนพวกผู้หญิงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยล่ะพ่ อ, อเห็นแล้วก็อย่าเอาอย่างเด็ดขาดเชวนะลูกครับพ่อผมจะเอาอย่างพี่ยิ่งผมโตกว่านี้จะเข้าโรงเรียนแล้วก็เป็นนักเรียนดีของคุณครูเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ขยันเรียนเรียนให้เก่งๆจะได้ออกมายืนร้องเพลงคู่กับเพื่อนนักเรียนหญิงครับเป็นหัวหน้าอย่างพี่ยิ่งใช่ไมล่ะครับแม่ถ้าอย่า ง, งานั้นเย็นก็ต้องเป็นเด็กดีนะจ๊ะ ครับแม่พี่ยิง่งอยู่นี่อยู่นี่อ้าวอ้าวอาไอ้เยน็นพูดยังไม่ทันขาดคาเลยลุกขึ้นตะกนเรียกพี่เขาได้ยังไงเห็นไหมคนอื่นๆหันมามองใหญ่แล้วนั่นนะสิรีบขอโทษลุงป้านะ้าอาเาเล ย, เ, ยเลเาไอ้เย็นเร็วเอผมขอโทษครับลุงป้านะ้าอาขอโทษครับขอโทษจริงๆเลยเองเนี่ยอะป้าปากับพ่อแม่อยู่แมปแ ม, แมออกไลน์ใชแล้วัหมล่ะ <laughs> ผมขอโทษครับ ผมแค่อยากให้พี่ยิ่งมองเห็นผมครับพอ่อเอ็งไม่ต้องตะโกนไปหรอกพี่ยิ่งของเอ็งยืนอยู่บนเวทีนะ่ะมองมายังเราเนี่ยยังไงก็ต้องเห็นเราอยู่แล้วเห็นแล้วทําไมพี่ยิ่งถึงไม่ยิ้มให้ผมล่ะครับจะให้ยิ้มได้ยังไงล่ะพี่ของเอ็งอยู่ในถ้ำกลางผู้ปกครองของนักเรียนเยอะใหญ่แบบนั้นก็ต้องสำรวมเอ็งเข้าใจหรือยังละ่ะฮะเข้าใจแล้วครับพอ่ออืมดีมากอะนนที่เราก็ลองเพลงจบแล้ว ปรบมือให้นักเรียนที่ร่วมกันร้องเพลงอยู่บนเวทีสิอะครับพ่ อ, อ ติดตามรับฟังละครวิทยุรักอภัยนำเสนอโดย Nation Entertainment เวลาที่เราได้คุยกัน เวลาที่ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอฉันผ่านไปแล้วเวลาที่เราได้เจอกันเธอคงไม่รู้ว่าฉันฝันไว้ให้โลกใบนี้มันหยุดเคลืไหวนาทีนั้นทีแต่เราจะฉัน y i n g far away, not e x p e c t you to u n t a n d o t e x e c t i n g you to c e a o u l i l h One. สนใจเกิดความหวังแหลกจะใครคนนที่อยากจะเจอเธอทุกๆวันมดวันให ฉันก็ไม่ใช่ใครก็แค่คนหนึ่งโลกเราดวงฉันกว้างใหญ่ท้องฟ้าดูฉันกว้างไกลเธอแปลกใจบ้างไหม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 ยอดคะอะ่ครับครูครูมีเรื่องอยากจะคุยด้วยค่ะอ๋อได้สิครับครูขอเชิญคุณยอดที่ห้องพักครูหน่อยค่ะอ่ะครับครับครับเออนี่แม่เอง อ, อืเดี๋ยวข้าเขาไปคุยกับครูเขาหน่อยนะแม่เองอยู่กับไอเย็นข้างนอกนี่ก่อนก็แล้วกันจ่าพอเองอเย็นครับพอ่ออยู่กับแม่เองไปพังพานก่อนนะอย่าดื้อกับแม่เองจะนะเข้าใจไหมเข้าใจครับพอ่อ ขอญาตนะครับครูเชิญค่ะคุณยอดขอบคุณครับเชิญนั่งนะคะคุณยอดครับขอบคุณครับที่ครูเชิญคุณยอดมาพบคุณยอดพอจะรู้หรือยังว่าครูจะพูดเรื่องอะไรนหนัอผมไม่ทราบจริงๆครับครูไม่เคยได้ยินใครพูดมาก่อนเลยหรอคะไม่เคยเลยครับอืมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวครูจะพูดให้รู้เรื่องหมดเลยเรื่องดีหรือว่าเรื่องร้ายเลยครับครูก็ต้องเป็นเรื่องดีสิคุณยอด งานค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยถ้าเป็นเรื่องร้ายแล้วก็ยังไงยังไงนี่ก็ไม่สบายใจอยู่ดีละครับครูเด็กชายยิ่งศักน่ะไม่เคยเกเรไม่มีเรื่องร้ายหรอกค่ะ อ, อ, อ๋อครูเรียกผมมาคุยเรื่องของยิ่งเหรอเนี่ยค่ะเอ๊ะหรือว่าคุณยอดคิดว่าครูจะพูดเรื่องอะไรละ่ะอก็นึกว่าเรื่องทั่วไปที่ทางโรงเรียนได้ออกกฎระเบียบอะไรขึ้นมาแล้วก็เชิญผู้ปกครองมาคุยด้วยอะไรทํานองพวกนี้แหละครับ อ๋อไม่ใช่หรอกจะคุยเรื่องของเด็กชายยิ่งศักนี่ล่ะค่ะอครับครูกาแฟสักแก้วไหมคะอ๋อไม่ละครับขอบคุณครับผมดื่มกาแฟไม่ได้จริงๆครับครูอ้าวทำไมล่ะไม่รู้สิเคยดื่มแล้วมันใจวิววิวยังไงไม่รู้เหรอครับอ๋อคงจะไม่คุ้นเคยละมั้งคุณยอดก็คงอย่างนั้นครับครูเอาล่ะนะครูจะขอพูดเรื่องเด็กชายยิ่งศักเลยนะคุณยอดครับเชิญครับครู เรื่องอะไรหรืครับก็ อ, อนุมัติให้เด็กชายยิ่งศัก์เนี่ยได้ไปเรียนต่อมัธยมที่กรุงเทพยังไงล่ะคะจริงเหรอครับจริงค่ะเอก็ยินดีด้วยนะคะอ๋อผมดีใจเหลือเกินครับที่ลูกชายผมได้รับการคัดเลือกให้ไปเรียนต่อมัธยมที่กรุงเทพเนับว่าเป็นวาสนาของลูกชายผมจริงๆที่ได้รับความรักและเอ็นดูจากโรงเรียนขอบพระคุณอีกครั้งนะครับครูค่ะ แล้วเรื่องกำหนดการที่จะเดินทางเข้ากรุงเทพนะทางโรงเรียนจะมีจดหมายแจ้งให้ผู้ปกครองทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะค ะ, ะครับครับครับสำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียนทางผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวล น, นะคะทางโรงเรียนจะเป็นคนดูแลให้ทั้งนั้นเลยเรียนฟรีเหรอครับเนี่ยใช่สิคะ<อ>ถ้าเด็กชายยิ่งสักิ์มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนสูงๆแล้วก็ ทางโรงเรียนก็จะมีโครงการส่งไปเรียนต่อต่างประเทศจะเป็นอย่างอเมริกาแคนาดาหรือประเทศอื่นๆที่มีผู้ให้การสนับสนุนอยู่นะคะขอบคุณมากครับครูครูก็มีเรื่องที่จะบอกข่าวดีคุณยอดท่านี้แหละค่ะขอบคุณมากครับคุณครูครับค่ะยินดีด้วยอีกครั้งนะค ะ, ะครับครับครับเด็กชายยิ่งศักเนี่ยเขาเป็นเด็กดีจริงๆ แล้วเขาก็สมควรได้รับการสนับสนุนนะคะคุณยอดขอบคุณแทนลูกชายผมด้วยนะครับขอบคุณครับค่ะเออถ้าอย่างนั้นผมขอตัวก่อนละครับมีอะไรเรียกผมมาคุยได้ตลอดเวลานะครับครูค่ะสวัสดีนะคะคุณยอดครับสวัสดีครับ ค, ครูใหญ่มองเห็นแล้วให้การสนับสนุนให้ไปรเรียนต่อมัธยมที่กรุงเทพนู่นแน่ดีใจสิดีใจมากๆเชียวล่ะผมก็ดีใจครับแม่อ๋อไอ้ยิ่งเดินมาโน่นแล้วแม่เองพี่ยิง่งทางนี้ครับทางนี้ทางนี้เฮ้ยไม่ต้องตะโกนไปรอไอ้แยนไอ้ยิ่งหาพี่เองนะเห็นพวกเราแล้วเห็นไหมนั่นนั่ น, น, นพี่เองเดินมาหาเราแล้วล่ะครับพ่อ เพ่อครับแม่ครับผมดีใจยังเลยที่พ่อกับแม่มาร่วมงานวันคริสต์มาสต้องมาอยู่แล้วล่ะแม่นํามาร่วมงานทุกปีเองก็เห็นนี่นาเห็นครับแม่อ่ะแม่ให้เป็นของขวัญจะได้เอาไว้ไปใส่ในกรุงเทพนะจะ๊ะซื้อเหรอครับแม่อืมที่แม่เย็บให้ยังไงล่ะโอ้ขอบคุณครับเดี๋ยวนะครับขอแกะดูหน่อยครับโอ้โห สวยมากเลยครับแม่ลองใส่ดูสิพี่ยิ่งรอหรือเปล่าอือหึแม่ลองใส่ก่อนนะเนืเป็นไงครับพ่อสวยไหมครับเสื้อที่แม่เย็บให้ผมสวยสิเอ็งต้องขอบคุณข้าด้วยนะเพราะข้าเป็นคนขอร้อให้แม่เอ็งเย็บให้เอ็งถึงได้มีเสื้อสวยๆใส่ยังไงล่ะขอบคุณพ่อมากครับอือดีใจด้วยนะที่เอ็งเนี่ย ได้ไปเรียนต่อมัธยมที่กรุงเทพนู่นนะครับพ่อครับพี่ยิ่งนั่นพี่ฝนเดินไปหลบอยู่ตรงมุมตึกนั่นแล้วออจริงด้วยฝนมาหาพี่นะแม่ครับพ่อครับผมขอไปหาฝนหน่อยนะครับเอาสิลูกชวนฝนไปเที่ยวบ้านเราด้วยก็ได้นะผมจะลองชวนนะครับแม่ฝนฝนอย่าเพิ่งไปไหนนะจะไปหาเดี๋ยวนี้และ ฝนฝนมีของขวัญจะให้พี่ยิงด้วยแหละอะไรเหรอฝนนี่ไง<ะ>ต้นกุหลาบหินที่พี่ยิงอยากได้เหรอฝนแต่งมาปลูในกระถางเล็กๆแล้วมันก็งอกแล้วด้วยเห็นม้มมีดอกอด้วยกาลังบานสวยด้วยนะเนี่ย <c oughs> โอ้โหสวยมากเลยขอบใจมากนะฝนแล้วพี่ก็มีของขวัญให้กับฝนด้วยละนี่จ้า ไม้แกะสลักเป็นนกคิริบูลพ่อบอกว่านกคิริบูลเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนขยันหมั่นเพียรรักที่จะเป็นผู้ให้อะจ้ะสวยจังเลยขับใจมากนะฝนจะรักษา ม, มันไว้เท่ากับชีวิตของฝอนเลยจ้ะ